ไงรู้กลับเ ม, มื่อไหร่มีเช้าเจ้าค่ะเราจะกลับญี่ปุ่นเ ม, มื่อไหร่วันที่เจค่ะนกี่วันมาได้กี่วันมาได้กี่วันครนวัสองอาทเจ้าค่ะมีอะไหหรบามีอะไรจะถามบ้ามีเจ้าค่ะถามได้สิ หนูจะให้พ่อของหนูทำทานแล้วก็ราทําสนะีเจ้าคระทำไมจะจะทำไมจะไปให้พ่อหนูทำทำไมล่ะเพราะเขาตกมาลงเพราะตกแล้วม่ได้ตกลงในตวัวเนี่ย หน้ากจะน่ากลัวตัวเราจะตกนรกน่า ก, กว่าตกนรกเพราะเบียให้เขาไม่ตกนรกรู้เปล่าหนกําลังตกนรกอยู่เมล่าหนสุขหรือหนทุกข์ฮะไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ครับขนาดนัไม่สุขมันก็ต้องทุกข์ทุกข์มันก็นรกคดีหนูหไม่ หนูไม่อยากคนหนึ่งตกน ร, ร ก, นกหนูเลยตกนรกแทงเขาเลยถ้าอาจารย์พร อ, อุบายอะไรไมหมคะให้ถ้าดูก็ดูพระพุทธเจ้าถ้ า, ท, าท่านทำให้พวกเราไม่ตกนรกได้ท่านก็ทาให้เราไม่ตกนรกกนหนแล้วแต่พระพุทธเจ้ายังทาไม่ได้แล้วเราจะไปทำอะไรไ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 เขามีความเห็นว่าไม่ต้องทําโดยไม่ต้องทําทําทานก็ได้ไม่ต้องรักษาสีลก็ได้เขามีความสุขของเขาอย่างนั้นเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมเมื่อเขามีความสุขพ่อหนูทุกข์เมื่อพ่อรู้สุกตอนนี้หนูไม่ทราบคราบจ้าทุกบ้างถูกบ้างเลยค่ะ แล้วใครเป็นคนทําให้เขาสูญใครก็ทุกข์ะพอหนูเองค่ะหนูบ่อยๆเขาทํ า, า ท, ทางได้เปล่าบอยเขารักษาศีได้เป่าถ้าเรื่องทำทานก็พอจะหมอให้ทําได้เจ้าค่ะแต่เรื่องรักษาศีนไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เลยทายัางไง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 ว่าทำบาปมันมีโทษ<ม>ทำบุญไม่มีโทษแก้ได้ไหมล่ะพรอพุทธเจ้าแก้ให้องค์คุลีมานะพระพุทธเจ้าแก้ได้หรือว่าเอาเอ า, เอาตัวอย่างองคุลีมานไปใช้กับพ่อด้วเอาเรื่ององคุลีมานไปเล่าให้ฟังก็ได้องคุลิมานร้ายกว่าพ่อไงฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน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 เป็นลูกก็ไปสอนพ่อไม่ได้ไง น, น, นอกจากพ่อถามก็บอกได้ถ้าพ่อถามหนูมาวัดหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างอาพูดไปเลยเรียนรู้ว่าทำบาปแล้วทุกทำบุญแล้วสุขถ้าไม่เชื่อนรกเสื่อสวรรค์ก็ให้เอาเรื่องสุขเอาทุกข์แทนไม่ต้องพูดนนเรื่องนรกเรื่อสวรรค์ก็ได้ ถ้าทำบุญแล้วจะมีความสุขถ้าทำบาปแล้วจะมีความทุกข์ถ้าพอ่อเขบอกฉันทำบาปฉันก็มีความสุขจะทำยัไเหมือนกินเหล้าฉันก็มีความสุขฉันโกหกโกหกเมียก็มีความสุขมันก็ต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมวันออหนูปัน ตัวหนูต้องดูตัวหนูของหนูความทุกข์ทำไมหนูไม่แก้ความทุกข์ของหนูก่อนนะไม้วแ ก, ค ก, ควกค้ความทุกข์ของคนอื่นทาไมแก้ความทุกข์ของคนอื่นความทุกข์ของตอนยิ่งกลับมีมากขึ้นไปต้องแก้ความทุกข์ของตัวเองก่อนิเป็นหมอรักษาตัวเองไม่ได้แล้วจะไปรักษาคนอื่นได้ไงใช่ไหมอหัดรักษาตัวเองให้ได้ก่อน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 เต็มไปเไหล ก, ก็ไม่เป็นก็คือเต็มยอดเดี๋ยวก็พังก็มีลอยลู่ลอยรูย่ก็คือความอยากพอพอทําอะไรเสร็จมีความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, ยวความอยากเหมือนก็เกิดขึ้นความสุขที่ได้มาก็หายไปต้องทําใหม่ต้องเที่ยวใหม่ต้องเดินใหม่ต้องรับประทานต้องดูใหม่ต้องฟังใหม่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 น้ำจากโลองแรงจากบ้านเรือนจากอะไรก็ไหลลงทะเลเยน้ำโสโครบคื่อหล่อนะเป็นผลของความอยากความอยากนั้นลดรงมาก ไม่ต้องไม่ต้องบอกวันแมนโชแล้วยังไม่เข้าใจเดีว <_ d ates> ทำคนเดียวสบายกว่าได้ยินไหมความอย่างนี่เป็นตัวที่ทำลายสร้างปัญหาสร้างความทุกข์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 นิสัยไปเรื่อยๆถ้าไม่ทําตามความอยากต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากมเพาไม่มีความอยากแล้วต่อไปก็สบายออยู่เฉยๆไม่ต้องทํามาหากินให้เดือดร้อนให้เหนื่อยมากกว่าทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทําลายความอยากหมดแล้วท่านก็เอาความรู้ความ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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจจตุสัพเพปุรเอนตุสังกปาจันโทปนาวะโสยถามณิโชติอารโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวทวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะ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 หมองกัณยาอยากจะถามอะไรนะ่เล่อไม่อยันอย่าเล่าเลยไม่อยากฟังอนะ่ะถ้าจะมาเทศให้ฟังไม่ต้องมาเทศนะถ้ามาเทศให้คนนึ่นก็ฟังเลยวันก่อนที่โดนพระอาจารย์เล่นยื่นแต่ชื่อหนังสือพระอาจารย์อ่า วันนั้นเนี่ยบอกเพือนหนูทำให้หนูลักษณะนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าทำย่อมรักษาคู่เกิดเป็นบาตรำก็ที่ผ่านมาเป็นหนึ่วงค้ออีกนิชแยเฉียสูงที่สุแล้วเวสร็จคู่ครวันนั้นบอกเพื่านผาจารคู่มาปุ๊แปลว่าทำมาสาหรับคูาา่ เอาไปฟันเพราะว่อาจารย์พูดตกใจหนูจะชิื้นะอาก็สำลัก้วยที่ถามหาถาหา้วคือู้แสวงหาเสร็จพบโดนพระอาจารย์มันไม่ได้เรื่องเลยซกแตู่้ตอนนั้นน่ะนูมีความรู้สึกว่าใจหนูตึงไปโดนตึงไปอย่านั้เพราะว่าในโดยจังหวะหน้าแล้วคือพระอาจารย์จะว่าเราก็ยอม ลอยลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยตัวศรัทธาคือมันไม่เหมือนกับทุกทีที่มันเสียวๆเวลาหนเสียคุ่มปุ๊บนีจะรู้สึกว่ากุ๊มากปุ๊บขึ้นมาแต่นี่มันโยนเหมือนโยนดึงไปตรงเนี้ยต่อให้พระอาจารย์ดึงเสียๆไปที่ในปทไทยตนี้เขาจะลักษณะนี้ด้วยซที่เรียกว่าทางด้านวัตศรัทธา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 ตอนเราเสียศูนโอ้ยเยขนาดไหนเนี่ยเละบอกแค่นี้เสียศูนย์นะพ่แค่นี้ <c oughs> โอ้โห้า น, นี่มันไม่เสียไงแตอมันเทียบกับครั้ง ก, ก่อนกนที่แบบว่าโดนที่เอื่อมาแล้วเสียศอาการมันเป็นยังไงอัตราตัวตนยังเยอะนะใครแตะไม่ได้นะใครว่าไม่ได้เลยที่ที่เนี่ยแพทย์าากาบางเริ้งเห็นอะเนนวลาเขางานต้องมางานไวมากเ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 พอเกิดเวลาเกิดร้มละลายขึ้นมานี่มาเป็นขอทานนี่โอ้ยทำใจไม่ได้แต่มีเศรษฐีคนนั้นใช่ไหมที่ที่มาขายแซนวิชเน่ยใช่ไหมอ่าตอนั้นเขาทำอะไรทำหุ้นนะขายหุ้นนะอและ้วแจงใช่ไหมเขาก็ยอมรับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วเป็นคนขายแซนวิชแล้วเขาก็ๆๆมา เขาก็อยู่ได้ใช่ไมถ้าตัวเองปรับปรับปรับปรับใจให้อยู่กับฐานะที่เปลี่ยนไปได้ก็มไม่มีปัญหาอะไรคนที่ปรับไม่ได้ก็ต้องกระโดดติกตายข้าตัวตายกันไปเพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปอันนี้จังเนยะอันนี้จังคือการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าถึงสอนให้เราพยายาม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 อับน้ํามันก็สดชื่นสะอาดพอไม่อาบสักพักมันก็เหม็นมันก็อมีอาการรู้สึก อ, อไม่ดีร่างกายเหนอะเนียวเหนียวเนี่ยไปด้วยเหงื่อไข่เสื้อผ้าใส่ก็ส่งกลิ่นเหม็นเเี่ยไปห้ามมันได้เปล่าห้ามให้ร่างกายมันไม่ให้ไม่ให้เสื่อมได้ไหม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 ดูแลแบบสบายๆก็พอเี่ย แ, แบบที่พระเจ้าสอนท่าให้ดูแลวันหนึ่งก็บิ็นสบายหนเดียวได้อะไรมาก็กินกินแล้วก็จบที่อยู่อาศัยก็ที่ไหนพอร่มแดดทบฝนได้ก็พออย่ารักษาโรคมีอะไรก็กินไปรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายเดี๋ยวก็ตายด้วยกันทุกคน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 ใครจะขโมยรถก็ขโมยไปรถขายก็หายไปย่างนี้เท่เราถ้ายังทุกกับของที่หายอยู่ก็แสดงว่ายึดติดอย่าถ่ า, ายไปนอกถ้าล่ของไปนไม่ได้จะมาล่ร่างการที้ได้ใชไหมอันไหนมีมีคุณค่ามากกว่ากันเงินทองกังกบว่ชีวิตที่อันนี้มีคค่ามากกว่ากันเพราะนั้นาล่ของท่านพุทธเจ้าสอนให้ทำทานก่อนถังละของภายนอก่ มาพัฒ น, นาเรื่องกายต่อไป